องคแห่งพระอาทิตย์เจประการองค์แห่งพระอินทร์สมประการองค์แห่งพระเจ้าจักรพรรดิสประการนี้เป็นวรรคที่สามประการหนึ่งพระโยคาวะจอนเจ้านั้นพึ่งถือเอาองค์แห่งปลวกประการหนึ่งองแห่งแมวสองประการองค์แห่งหนูประการหนึ่งองแห่งแมลงป่องประการหนึ่งองแห่งพังพอนประการหนึ่ง องแห่งสุนักจิ้งจอกสองประการองค์แห่งเนื้อสประการองค์แห่งโคสประการองค์แห่งสุกรเทือนสองประการองค์แห่งช้างห้าประการนี้เป็นวรรคที่สประการหนึ่งพระโยคาวจรเจ้านั้นพึ่งถือเอาองค์แห่งมแมลงมุมอยู่ริมทางหนึ่งองแห่งทารกที่ดูดนมมารดาหนึ่งองแห่งเต่าเหลืองหนึ่ง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 องแห่งบ่อน้าสององแห่งเขื่อนสององแห่งคันช่างสององแห่งพระขันสององแห่งชาวประมงสององแห่งกู้นี่หนึ่งนี้เป็นวรรคที่แปดประการหนึ่งพระโยคาวจรเจ้านั้นพึ่งถือเอาองแห่งคนอันเป็นพญาที่สององแห่งหุนทางสององแห่งแม่น้าสององแห่งมะหรสพหนึ่ง องค์แห่งบาทสามองแห่งของเสวยหนึ่งองแห่งโจรสามองแห่งเหยี่ยวนกขาหนึ่งองแห่งสุนัขหนึ่งองแห่งคนรักษาโรคสามองแห่งหญิงมีคันหนึ่งนี้เป็นวรรคที่เก้าประการหนึ่งพระโยคาวจรเจ้านั้นพึ่งถือเอาองค์แห่งนกจามรีหนึ่งองแห่งนกกระต้อยตีวิทยสององแห่งนกพิราบสอง อง์แห่งนกตาข้างเดียวสององแห่งคนไถนาสามองแห่งสุนักจิ้งจอกชาติชัมพุ ก, กะหนึ่งองแห่งผ้ากรองด่างสององแห่งทับ พ, พีหนึ่งองแห่งคนใช้นี่แล้วสามองแห่งอวิจีนิกะหนึ่งนี้เป็นวัคที่สิบประการหนึ่งพระโยคาวจรเจ้านั้นพึ่งถือเอาองค์แห่งนายสารถีสององแห่งช่างหูกหนึ่ง